ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสันสนิสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM รนะคะดิฉันสันสนิษฐานาพงศ์มารายงานตัวท่านว่าเดี๋ยวจะพาท่านทั้งหลายเข้าสู่การฝึกปฏิบัติทำสมาธิภาวนาโดยการใช้ลมหายใจจากคำสอนของพระภิกษุที่ได้ดำเนินรายการนี้ให้ธรรมะมากับท่านผู้ฟังตั้งแต่ไนต่อ น, นแล้วนะคะเป็นเวลาแรมปี แล้วก็ท่านก็ได้พบกับท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยกับการมาสัมทนาธรรมนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเราไปกราบน้มักการท่านกันเลยนะคะท่านพระมหาภัยบุญอภิปุณโวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานี น, รรน้มักการกันท่านคะเจมบอลเวลาที่เราฟังธรรมะเร า, า จ, จะนึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ลักษณะการที่เราจะบูชาท่านการที่เราจะนอบน้อมต่อธรรมะได้อย่างดีที่สุดพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ด้วยการที่ให้เราเอาธรรมะนั้นมาทรงไว้ในใจของเรานั่นก็คือการปฏิบัตินั่นเองเวลาที่เราเอาธรรมะมาทรงไว้ในใจของเรานั่นคือการปฏิบัติโดยเริ่มจากการที่ให้เราตั้งสติไว้การที่เรามีสติระลึกถึงธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งอันนี้คือธรรมานุสติอยู e ่ละธรรมานุสติก็คือการที่เราระลึกถึงธรรมะ การระลึกถึงธรรมะก็ตามเป็นธรรมนุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติการระลึกถึงหมู่ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้เป็นสังการนุสติเครื่องมือในการที่เราจะใช้ให้เกิดสติเนี่ยมีอยู่หลายอย่างเพราะว่าจิตเนี่ยนะถ้าแปลว่าไม่มีสติรักษาไวา้มันดีมันก็แล่นโลดไปตามเสียงบ้างตามกลิ่นบ้างตามภาษาทางตาบ้างสัมผัสทางกายบ้าง คนนั้นว่าอย่างนี้จิตมันก็จะแล่นหนีไปทางด้านด้านโน้นด้านนี้การที่แล่นไปวิ่งไปเนี่ยเวลาที่เขาสับที่เขาใช้ก็คือสระคือการไปแต่ให้มีการมานะไปในทางที่มันจะดีเนี่ยก็คือให้มีสติสติคือการระลึกได้การแล่นไปการที่เราจะมีสติระลึกได้แล่นไปให้มาในแนวทางธรรมะพระพุทธเจ้าจึงให้พูดถึงการที่ให้เรามีสาระนะก็คือมีสาร ะ, ะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การทีเราตั้งศรัทธไว้ในพระพุทธธรมพระสงค์แล้วเราจะเจริญสติได้สติที่เรามีอยู่ในลมหายใจก็เป็นสติประเภทเดียวกันเราจะใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือเป็นอนาปานสติได้จะระลึกถึงเสียงของเราเองก็เป็นศีลานุสติได้จะระลึกถึงความดีเช่นเวลาที่เราไปให้ทานเวลาที่เรามีการให้การบริจาคมีศรัทธาพวกนี้อันนี้ก็เป็นจารการนุสติเป็นเทวตานุสติได้และมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นบางที เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นไปในทางกุศลเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ความฟุงสฟืแต่ว่าเป็นการที่เราให้จิตนั้นล่นไปในทางที่เป็นกุศลอย่างอื่นๆอันนี้สามารถทำได้โดยการที่ให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นฐานอยู่ตลอดในขณะที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจความคิดต่างๆที่ผ่านไปผ่านมาถ้าเป็นเรื่องกุศลนันก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ในการที่ฝึกปฏิบัติเนี่ย เราทําให้มันละเอียดลึกซึ้งลงไปความคิดต่างๆใดๆก็ตามที่จะเป็นเรื่องกุศลเอาเราทําให้เบาบางลงให้มันละเอียดลงเมื่อความคิดต่างๆเหล่านั้นไม่มีแล้วสมาธิก็จะเป็นสมาธิที่ลึกซึ้งเป็นลําดับลําดับลงไปซึ่งตรงนี้เป็นทักษะในการฝึกทักษะในการปฏิบัติซึ่งทักษะนี้ก็อาศัยการที่เราต้องทําบ่อยๆพระพุทธเจ้าจึงให้มีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในเวลาเช้าในเวลากลางวันในเวลาเย็น เปรียบเหมือนกับเวลาที่เราทําการค้าขายทําธุรกิจต่างๆแล้วก็ทําจัดกิจการงานให้ดีทั้งในเวลาช้ากลางวันเย็นก็จะมีความร่ํารวยมั่นคงมั่งคั่งขึ้นมาได้เราฝึกปฏิบัติในทางจิตในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่ว่าเรารักษาวาจาของเราให้ดีในระหว่างวันไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อเพียงเพื่อหูเรากกันเล่นแต่ให้รักษาวาจาของเราให้ดีเนี่ยการที่เรา พยายามที่จะทรงจิตไว้ตั้งจิตไว้อย่างดีนั่นคือการที่เราจเจริญสัมมาสติละและการที่เรามีความคิดความเห็นในทางที่เราจะมารักษาวาจารของเราให้ดีด้วยรักษากายของเราให้ดีด้วยนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิในเวลาที่เราจะตั้งจิตของเราให้ดีเกิดขึ้นความคิดนั้นมันก็จะไม่เป็นไปนในทางการพยาบาทเบียดเบียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคิดในทางไม่เกี่ยวข้องโดยกรารไม่เป็นในทางพยาบาทไม่เบียดเบียนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ก็เป็นสัมมาสังกัปปะ เราจะบอกว่าเรารักษาวาจาได้ก็เป็นสัมมาวาจาธรรมทั้งแปดก็จะอยู่ในนี้อยู่ในในี้อยู่ในชีวิตประจาวันของเราอยู่ในตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเจอผู้คนอยู่คนเดียวกับรถไปไหนเดินถนนหนทางหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆก็ตามเวลาที่เราฝึกปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะทําให้มีการพัฒนาในเรื่องของธรรมะขึ้นมาได้นั่นเองเช่น่านสาธุค่ะคือฟังแล้วเนี่ยเรนังคิดว่าผู้ปฏบิบัติจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาอย่างชัดเจนหนึ่งเรื่อง ก่อนก็คือเรื่องที่ท่านอธิบายการมีสติอยู่กับลมหายใจแล้วบอกว่าสามารถที่จะไปมีสตินั้นแต่ว่าระลึกถึงเรื่องของความดีที่เราได้ทำเช่นเรื่องของศีเรื่องของการบริจาค ก, การทำทานต่างๆเพราะว่าบางทีบางคนนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยความนนะคิดเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราฟุงฟ้งประา ซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันต้องแยกกันให้ดีบาพุจฉาเองตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็พยายามแบ่ง ค, คือคือคิดหลายเรื่องตัวพระองค์เองน ะ, ะตอนที่หลังจากเลิกทําทุจริตกิยาเนี่ยบางีร่างกายมันแบบว่าไม่สงบมันมีกําลังแห่งความเพียรเสียแทงเอาเนี่ยบางทีก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ๊ะทำไงดีเอาแบ่งแยกความคิดดูเดี๋ยแบ่งแยกความคิดออกเป็นสองกล่องลกล่องที่เป็นกุศลกับกล่องที่เป็นอกุศล ก็จะรู้ว่าส่วนไหนดีไม่ดีเอาส่วนที่ไม่ดีก็ทิ้งไปส่วนที่ดีก็ทําความเข้าใจว่ามันเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ทําความละเอียดให้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเทคนิคที่สําคัญคือเราต้องทําความเข้าใจให้ได้ว่าการเจริญสติเนี่ยเป็นการฝึกทักษะเหมือนเราเรียนรู้อะไรใช่ใช่ไหมคะที่ต้องทำบ่อยทํำบ่อยทํำบ่อยทําแบบเดิมๆเนี่ยถูกต้องอันเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าภาวิตาภาวิตาภาวิตาคือทําให้เจริญ ทำให้เจริญทำให้เจริญคือใช้คำว่าพาวิตาทําให้เจริญอคือทำให้เจริญี่คือทําบ่อยๆค่ะคือคือทําบ่อยๆนี่ไม่ใช่ทําผิดๆบ่อยๆนะคือต้องทําให้มันถูกตามปฏิปทาค่ะบ่อยๆเี่ยมันจะมีเป็นทักษะว่าง่ายฝึกทักษะค่ะงั้นเท่ากับเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าเมื่อเราระลึกถึงเรื่องศีลเรื่องทานอันนั้นก็เป็นช่วงอยู่ระหว่างแต่ว่าเมื่อเราพัฒนาสติฝึกไปเรื่อยๆในส่วนของความคิด อันเนี้ยใช้คําว่าวิตกวิจารได้ไหมคะใช่ใชเกี่ยวกับรเรื่องที่เป็นกุศลเนี้ยก็จะต้องวางไปในที่สุดเหมือนกันถูกต้องถูกต้องก็คือมันก็จะละเอียดลงไปเรื่อยๆนะนะคะเราจะไปเหมา ว, ว่าความคิดทั้งหมดเป็นอกุศลไม่ใช่ค่ะเมื่อเรา<ม>พาวิตาแล้วเนี่ยแล้วก็เมื่อสักครู่ในระหว่างปฏิบัติท่านพิบูรณ์ได้พูดถึงพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการเจริญสติวัลษาเวลาเปรียบเทียบกับคนค้าขายใช่ว่าจะร่ํารวยมั่นคงมั่งคัง่ง สติของเราก็จะเจริญขึ้นเรื่อยๆอืมถูกต้องอันนี้ต้องทําอยู่บ่อยๆเป็นทักษะเลยค่ะอาจรย์มาเข้าใจเรื่องนี้มากๆเลยเอ่อตอนเพราะว่าตัวเองเนี่ยคือเมื่อก่อนไม่เก่งภาษาอังกฤษมากๆไม่เก่งเลยแบบแบบโง่นะค่ะก็เลยด้วยความที่โง่ก็เลยแบบพยายามฝึกที น, นี้พยายามฝึกเนี่ยไปพูดกับฝรั่งเนี่ย จำได้เลยปีสองปีแรกพูดจนเมื่อยมือคุณโยมติว๋วพูดจ น, นเมื่อยมือคิดดูยพยายามจะอธิบายะอะไรต่างๆคือเอาก็พูดไม่ได้อธิบายอ๋อเขาเขาพูดคํานี้ขึ้นมาเอาเราก็จำเอาไว้เงี<อ>้ยเขาพูดประโยคนี้ขึ้นมาเราก็จำเอาไว้เงี้ยใช้พีพีถูกๆบ้างแต่ว่าก็พยายามฝึกใช้ให้ถูกไอ้ที่เขาบอกว่านี้คํานี้เขาไม่ได้ใช้อย่างนี้เราก็จำเอาไว้มันก็ดีขึ้นมาได้เป็นทักษะนั่นเองค่ะแล้วเมื่อสติเจริญแล้วเนี่ยนะคะอสัมมาหมายถึงมั๊ก ต่างๆจะค่อยๆปรากฏขึ้นเองด้วยใที่ท่านยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็มีเรื่องการพูดนะคะซึ่งดิฉันว่าสําคัญมากสําหรับคนไทยก็คือไม่พูดเพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นก็ฝึกไปเรื่อยๆก็แล้วกันบางคนบอกฝึกได้ทั้งหมดเลยยกเว้นอันเนี้ยยางอย่างขอเวลา <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องแบบว่าพูดเพ้อเจ้อขึ้นมาแบบว่าไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงคุณก็แบบพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะค่ะอันนี้ก็คือมันต้องอาศัยการฝึก เกิเพราะว่าเพราะว่ามันคือคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แบบอ่าสัมภาษาชาวบ้านคือปล่อยมุกค่ะเนี่ลปล่ยมุกแล้วมุกเนี่ยนะขอโทษทีแต่บางทีมันมันเป็นเรื่องแบบกุกขึ้นมาลอยๆค่ะอันนี้มุกจะมีหลายประเภทนะมุกแบบโกหกก็มีคือคือถ้ามุกของนักตลกเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหลายๆแบบนี้เขาแบ่งของเขาก็เรื่องของเขาไปนะแต่ถ้าเราจะดูทางลักษณะของสัมมาวาจาเนี่ยจะมีมุกชนิดที่ว่าโกหกขึ้นมาอันนี้คือแบบหนึ่ง คือแบบโกหกขึ้นมาเลยคือแบบเขาไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าพูดว่าเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ <Okay. S 1> คือโกหกขึ้นมาเนี่ยที่หน่งใช่ปะหรือมูอันที่2คือแบบไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงอะไรคิดไปเอง <Okay. S 1> อันนี้คือลักษณะของเพอร์เจอร์ลักษณะแรกคือเขาเรียกว่าเป็นมูซาลักษณะที่2นี่คือเป็นเพอร์เจอร์จะมีอยู่2ลักษณะนี้แล้วลักษณะ <Okay. S 1> ที่3ก็จะเป็นวาจาหยาบเพื่อให้หัวล็อ ก, กันเล่นนะแบบ <Okay. S 1> พูดจาแบบเอาภาษาที่เขาไม่ใช้พูดในหน้าเวทีคุณเอา <Okay. S 1> มาใช้อย่างเนี้ย บางทีมันหัวเราะมันขำอันนี้คือจะมุกลักษณะที่ว่าเป็นคำหยาบคาจจะจะมีอยู่สามมุกแบบนี้เมืม่อเรารู้หลักแล้วเราก็จะได้ระมัดระวังแต่ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยดิฉันก็สังเกตกับตัวเองนะคะว่าเอ๊เราก็รู้นะเราก็พยายามทำนะแต่เมื่อเจอกับสถานการณ์จริงมันจะทำไม่ค่อยทันยกตัวอย่างอย่างที่เป็นอยู่บ่อยๆ อ, อย่างเรื่องการขับรถเนี้ยนะคะเวลาไปเจอเพื่อนร่วมถนนที่ เขามาทำให้เรางุดหงิดเนี่ยเราก็อาจจะมีการเหมือนกับโต้ตอบบ้างเล็กน้อยใใแล้วก็จะเสียใจยทุกครั้ง <c oughs> คือดิฉันกำลังคิดว่าเราต้องทำให้ได้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตเป็นเรื่องเดียวกัน ถ, กถึงจ ะ, จะงทำให้ทุกอย่าง เ, เกิดขึ้นได้ง่ายใช่ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นในการปฏิบัติต้องควบคู่คือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันกับชีวิตของเรานะคือ ม, มีมีธรรมะอยู่ในชีวิตประจของเราเลยละ ทีนี้อย่างเรื่องที่เรามาปฏิบัติธรรมที่วัดอันนี้เป็นการทําเป็นแบบรูปแบบเป็นการกระทําที่เรียกว่าหลีกเรนอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะพุทธเจ้าเนี่ยหรือแม้แต่สาวกท่านพระสารีบุตรหรือว่าท่านอนาถมิตรกาเสตีอุบาสกอุบาสิกาชั้นเลิศเนี่ย <Okay. S 1> ก็มีธรรมะอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดไม่ใช่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เฉพาะตอนที่ท่านเทศสอนตอนที่ท่านไม่ได้เทศสอนท่านก็มีธรรมะอยู่ <Okay. S 1> แต่ท่านพระสารีบุตร ก็ไม่ใช่ๆๆเฉพาะตอนที่ท่านเทศสอตอนที่ทนบินตาบาทตอนที่ท่านทำอะไรก็มีมีธรรมะอยู่แต่ <c oughs> ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> แ, ลแล้วจังหวะที่ทําเพิ่มเติมบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ไปหลีกเรนองเดียวแนะไม่คุยกับใครไม่สนทนากับใครบางที่ไม่ไปบินตาบาทด้วยซ้ำนะให้คนหนึ่งเขเอาอาหารมาให้อย่างงี้เป็นต้นนะ น, นนี้คือ <c oughs> การทําเพิ่มเติมที่เป็นรูปแบบในลักษณะของการหลีกเรนอันนี้คือเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นเชื่อผู้ฟังรายการเนี่ยเป็นผู้ที่นําเอา ธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าก็อาจจะต้องทําขึ้นเรื่อยๆเพิ่มทักษะนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเกิดอาการอย่างที่ฉันเองในบางครั้งก็อยเป็นอยู่แหละวางไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวขอจัดการเรื่องนี้หน่อยออืวางธรรมะไว้ก่อนขอจัดการคนนี้หน่อยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่คิดให้สนุกก็สนุกนะคะท่านเออคือคือคุณไปตันแล้วคือไปสุดโตรงข้างหนึ่งแล้ว คือตันตึกสุดโต่งเนี่ยตรงที่ว่ามีวิภาวะตัณหาไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้หรืออยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้มันตันตึกตรงนี้อันนี้คือสุดโตง่งในลักษณะที่ทําตัวเองให้ลําบากทำํำไมตัวเองถึงลําบากเพราะว่าลําบากด้วยไฟที่เผาอยู่างในใจอันนี้คื อ, ค, อคืออันหนึ่งเราจะไม่ไปติดค้างแงกอยู่ตรงนั้นได้ก็ต้องสู้ด้วยธรรมานั่นเองจัดการด้วยธรรมะเลยชเช่นให้มีความอดทนเช่นให้มีความเมตตาเช่นให้มีความรักใคร่เอ็นดู เช่นด้วยการให้เขาตำหณีใช่ไหมฉันให้อย่างเงี้ยมันก็จะชนะไปได้ด้วยสู้ด้วยธรรมะแบบนี้นั่นคะ่ะที่ฉันจะขออนุญาตกลับไปถึงเรื่องที่ได้สนทนากับท่านเมื่อวานสักหน่อยนะคะเื่อาคือบังเอิญไปแตะเรื่องว่ามีความเชื่อของคนจำนวนหนึ่งแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์พอนักวิทยาศาสตร์เชื่อ เราก็เลยพลอยสงสัยไปด้วยเพราะเราเชื่อในนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่ได้เชื่อลอยๆจะต้องมีเหตุผลค้นคว้าว่ามีมนุษย์ต่างดาวโอเคท่านคิดยังไงคะอารมาก็โดยส่วนตัวก็เห็นด้วยอยู่นะว่ามันน่าจะมีมนุษย์ต่างดาวแต่มนุษย์ต่างดาวนี่คือหมายถึงว่าเออเป็นเป็นคนเนี่ยแหละนะเป็นธาสีดินน้ำไฟลมใช่ไหมแล้วก็อยู่ดาวอื่นที่ไม่ใช่ดาวโลกของเรา ค่นะมีพุทธพจน์สนับสนุนไหมคะอืมคืออนุมานได้ว่าจะมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงมนุษย์ในทวีปอื่นๆ อ, อย่างมนุษย์ในทวีปของเราเนี่ยคือชมพูทวีปก็จะมีทวีปอื่นแล้วก็จะมีมนุษย์ที่เขาเใช้ศัพท์คำหนึ่งอย่างมนุษย์โลกของเราเนี่ยโฮโมเซเปียนใช่ไหมค่ะอ่าก็จะพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามาร์คาทะกลุ่มชาวมคาทะแต่ถ้าชาวอื่นก็จะมีศัพท์เรียกเช่น กปิยะหรืออะไรเนี่ยจะมาจําไม่ค่อยได้เป๊ะๆแต่มีศัพท์เรียกอยู่เอพวกเรานี่เป็นมาคธะมาร์คธาใช่โฮโมซาเปียนทีนี้พูดถึงพระพุทธองค์นได้ตรัสถึงอ่าทั่วลโลกทกาตถูกไหมคะใช่ใช่ใชทั่วโลกทาตดังนั้นเราอาจจะอนุมานไปก็ได้ว่ามีก็ได้าอาจจะมีได้ใช่ท่านไปบุญกําลังคิดว่าก็น่าจะมีน่าจะมีดิฉันเองก็ชักเริ่มเชื่อแล้วว่าเอ๊ะหรือก็น่าจะมีนะเพราะว่า <laughs> เราต้องทํำการเข้าใจกระบวกนการการคิดของนักวิทยาศาสตร์กันคือเขาก็ตามหลักฐานถูกไหมล่ะ <c oughs> ก็อันนี้ก็เหตุผลดีมีเหตุจึงมีผลคุณก็เชื่อไปตามนั้นทีนี้ว่าบางทีหลักฐานต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเชื่อไปเป็นแบบนั้นหรือหลักฐานที่มันจริงๆเนี่ยมันไม่มีแล้วหายไปแล้วอย่างเงี้ยในอย่างเช่นมนุษย์ที่อยู่บนโลกของเราไปเนี้ยโลกของเราไปเนี้ยมีมนุษย์ที่ก่อนโฮโมซับบินของพวกมาร์คตานอยู่เนี่ยที่มีอายุเป็นหมื่นปีเลยแต่ว่าเราไม่เห็นรู้เลย เพวเหลักฐานาต่างๆเหล่านั้นไม่มีแต่เราไปเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมีการวิวัฒนาการมาจากลิงอย่างนี้ไปต้นนะมนุษย์ทําไมวิวัฒนาการมาจากลิงได้ยังไงซึ่งมันอันนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเลยคือมันค้านกันโดยชิ้นเชองเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาจากเทวดาอ๋อเหรอคะอ่ามนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาจากเทวดานะตกต่ำลงเลยไงคะตกต่ำลงถูกต้องตกต่าลงเพราะว่าอกูสโตรธรรมที่เจริญมากในหมู่มนุษย์ เนี่คุณลงมาจากเทวดามาลงกินงวนดินใช่ไหมแล้วก็พอกายเริ่มหยาบก็เสียดสีกันเฮ้กายชั้นดีกว่ากายแกเนี่ยก็พอมีอคติธรรมเกิดขึ้นก็กลับสวรรค์ไม่ได้เนก็ค่อยค่อยดีเจเนเรตลงมาค่อยๆตกต่ำลงมาตกต่ำลงมาจนกระทั่งมาใกล้จะเป็นลิงแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นต่างหากอ๋อแต่ทีฉันเคยได้ยินมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นความรู้ที่ทําให้ดิฉันรู้สึกว่าอ้าวเคยเข้าใจผิดมาว่าเทวดา อยู่สูงกว่าเราทำไมถึงได้มีคำสอนในทํานองที่ว่าเทวดาเองก็อยากเป็นมนุษย์คือตรงที่ามาพูดเมื่อวานว่าที่เทวดาอยากเป็นมนุษย์เนี่ยพราะว่าจะได้เห็นธรรมะได้เนื่องจากว่าเทวดาเขามีความเสื่อมไปเห็นได้ยากกว่ามนุษย์ไงร่างกายของเขาาเงี้ยไม่ได้แก่นะคือจะหมดอายุก็หมดอายุไปเลย<อ>นะความแก่เลยจะไม่ได้ปรากฏชัดเจนเหมือนอย่างกับมนุษย์ก็จะมีบ้างอยู่แต่ไม่ชัดเจน แล้วก็จะเป็นไปแบบยาวนานมากกว่าจะแก่เพราะนั้นในลักษณะของความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยจึงมีน้อยในขณะที่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นของมนุษย์เทียบกันแล้วก็จะมีมากกว่าเห็นได้ชัดเจนกว่าคนที่เห็นทุกข์ได้จึงเห็นธรรมได้ตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่เทวดาบางรูปก็จะมีความเข้าใจไปอย่างนั้นโอข้อด้อยคือเห็นทุกข์ได้ยากและทุกข์เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เห็นธรรมใช่ใช่ใช่ก็จึง มีโอกาสหนักได้น้อยลง อ, อ, ยอยากให้เกิดขึ้นเร็วๆวใช่ประเด็นตรงนี้เท่านั้นเองที่ทเทวดาเขาอยากเป็นมนุษย์ค่ะทีนี้ถ้าเกิดมีมนุษย์ต่างดาวจริงๆอื ม, มนุษย์ต่างดาวเนี่ยอนุมานตามคําสอนของพระพุทธองค์แล้วจะบรรลุธรรมได้ไหมคะคือถ้าเขามีศรัทธาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้อยู่อืมป ร, ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าคือมีแล้ว ย, ยังไงแล้วเขามีเทคโนโลยีแล้ว ย, ยังไงใช่ปะ ก็จะมีลักษณะเดียวกันก็คือมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นสัตตาเหมือนกันเป็นเรื่องที่รู้ไปแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยก็ก็คือเหมือนเดิมอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายนั่นเองตรงความรู้ตรงที่พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องไตรลักษณ์เรื่องมัลตแปตรงเนี้ยจะไม่มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจในการที่จะให้เกิดคำคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้รมนิพพานได้ครับคือถ้าอยู่ในโลกธาตุแล้วเป็น าานในองการนี้ในองการนี่แหละค่ะคือเรียนใช้คำนี้ได้ไหมครับคือเป็นเป็นพวกสังคตาน่ะอืมใช่เป็นสังคตะทั้งหมดยังมีการปรุงแต่งอยู่ค่ะแล้วก็จะก็จะมีลักษณะเดียวกันนั่นคือไม่เที่ยงเป็นนัตตาค่ะนั่นคือคือถ้าสมมติว่ามีมนุษย์ต่างดาวจริงๆแล้วเราไปติดต่อเข้าได้เรา transfer technology มาได้อันนั้นจะทำให้ความทุกเราลดลงหรือเปล่า อ่นานี่คือสําคัญนะด่ฉันรู้ทุกมากขึ้นนะคะ <c oughs> ตั้งแต่ที่เริ่มสงสัยว่ามีเนี่ยก็เริ่มรู้สึกมีความทุกข์ว่าทําไมมันถึงจะรู้ชัดๆนี่แหละคือประเด็นนะที่พระเจ้ากําลังสอนว่าให้พ้นจากทุกนะค่ะเพราะว่าเอาดูแค่ว่าในช่วง50สปีที่ผ่านมาโอ๊ยไม่ต้องเอา50สปีมันนานไปเอาแค่สิปีที่ผ่านมาจากที่เราไม่เคยมีโทรศัพท์มือถือที่แบบว่าเป็นระบบสมาร์ทโฟนถูกปะ่ะค่ะจนกระทั่งมาสิปีหลังเราเริ่มมีโทรศัพท์มือถือที่เป แ ต, แต่มันก็ยังไม่เหมือนไม่ได้น้อยลงมันยิ่งจะมากขึ้นนะเดี๋ยวต้องตามหา WiFi ต้องตามหา power bank อะไรต่างมันยิ่งมีภาระต่างๆมากขึ้นแฮะซึ่งเมื่อก่อ น, นไม่จำเป็นต้องมอีมันยิ่งกลับมีจะมีทุกมากขึ้นนคะดีความยอะไต่างเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเรื่องพวกนี้กลับมีมากขึ้นส่วนที่เป็นความสุขก็มีนะส่วนที่มีความทุกข์มันก็มีมันไม่ได้ลดลงไงนี่คือประเด็นนะนี่คือลักษณะเดียวกันกันกบที่เป็นพยับแดดไงคุณยมติว๋วที่ว่า ตอนที่เรายังไม่มีเนี่ยเราคิดว่ามีแล้วมันจะน่าจะดีนะ่ะไม่ น, น่าจะแบบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ่ะคือเหมือนไปยับ that, แดดอยู่ไกลๆเรายังไม่ได้เข้าไปถึงมันเนี่ยมันก็คิดว่าจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่างๆเนี่ยแต่พอไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมันเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างค่ะดังนั้นเนี่ยก็ควรจะให้ความสนใจกับเรื่องของมาตรฐานที่ควรจะรู้ก็คือมีสติในการที่จะไปรู้ในสิ่งเหล่านั้นใช่ Mm hmm. วิธีการทางด้านเทคโนโลยี hmm. ก็ก็มีก็เป็นใบนะเขามีอินโนเวชันอะไรต่างๆถ้ามันจะ <Okay. S 1> ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านที่จะทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงเราก็เอามาใช้ได้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเอามาใช้แล้วจะมีความทุกข์มากขึ้นเราก็ทําจิตเราให้ดีฝึกจิต <Okay. S 1> ตรงนี้สําคัญสติสมาธิปัญญาเนี่ยต้องทําให้เกิดมีมาก่อนนะคะเราก็กลับมาเรื่องที่จะต้องมีก็แล้วกัน mm hmm. เพราะว่าเรื่องพวกนั้นก็เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องเดียวกันแต่อาจจะเข้าไปถึงยากเข้าใจยากอยู่สักหน่อยแล้วก็ยังเข้าใจไม่ชัดเจนแต่เรื่องของตัวเราเนี่ยเราเห็นชัดๆอยู่เป็นตัวเป็นตนสุขทุกขเราก็รู้ใช่เดี๋ยวโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมามากใช่ไหมค่ะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยคืออย่างยุคคุณโยมติ๋วเนี่ยก็เป็นยุคทีวีสีค่ะแต่ยุคอาตมาเนี่ยเกิดมาทีวีสีมีอยู่แล้วเริ่มเข้าสู่ยุคเกมกดคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่นี้เด็กยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยที่ เพิ่งจะอายุสิบยี่สิบขวบเนี่ยเขาก็ายุคคอมพิวเตอร์คือยุคแบบแท็บเล็ตแล้วโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพราะฉ้นเขาถูกเลี้ยงมาเนี่ยมันมีพวกนี้อยู่มาอยู่แล้วแต่พ่อแม่บางคนเนี่ยให้ลูกเล่นพวกเกมกัคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กเอาทําไมอะ่ะก็มันร้องให้งองแ ง, ง, ง, ง, งเอานี้ให้มันแล้วมันหยุดเออเลี้ยงแบบนี้ยทําให้มีปัญหาในครอบครัวก็มีเยอะค่ะเด็กไม่ยอมฟังอะไรต่างอเมื่อท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านสมัยมากแค่ไหนก็จะอยู่ในกรอบธรรมะเดิมที่พระพุทโธได้ตรัสรู้เอาไว้ใช่ไหคะเอาอย่างมามาปรับเข้ากับอริยศาสตร์สี่เลยสมมุติว่าข้อแรกของไม่ใช่สมมตินะคะข้อแรกของความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทโธตรัสรู้ก็คือได้ส่งค้นพบว่ามันมีความทุกข์ถูกไหมคะมทุกข์ถ้าเกิดเราใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆซึ่งท่านไปนบูญก่อนบวชก็คุ้นเคยมาก บวชมาแล้วก็ยังได้มาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะเนี่ยนะคะอย่างมากความทุกข์ของการใช้เทคโนโลยีทุกอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีซึ่งจะทําให้คนเห็นธรรมะแบบพระพุทธเจ้าได้นี่อยากให้ท่านช่วยอธิบายขยายความ อ, อ, อย่างกรณีใช่ไหมถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าใช้แท็บเล็ตเนี่ยเราก็ดูสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าดูพวกมัลติมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้ความสุขเดี่ยวนั้นทันที แบบเดี๋ยวนั้นทันทีคือกดคุณกดปุ่มได้ทันทีนะซึ่งลักษณะ น, น, นี้แล้วมันจะว่าเปลี่ยนไปได้ง่ายๆทําให้สมาธิเราสรั้นอันนี้ทุกในข้อที่หนึ่งละไอความที่สมาธิสั้นจิตไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ในเรื่องนั้นเรื่องเดียวเนี่ยนะคุณอยูค่คุณอยากได้ความสุขเมื่อไหร่คุณก็ไปได้ทันทีอย่างเงี้ยทําให้เราความอดทนเราน้อยลงความอดทนเราน้อยลงสมาธิเราสรั้นลงเราถูกดิสแทรกถูกให้มันดึงไปทางนั้นทางนี้ได้ง่ายแั่ น, นี่เป็นอกุศลธรรมทั้งสิ้นเลยนะ คือถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยพวกแท็บเล็ตเนี่ยก็จะมีลักษณะว่าแทนที่คุณจะให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปแต่คุณกลับเอาบาปเอาอกุศลธรรมพวกนี้ใส่ไปในใจเขาโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาก็จะสมาธิสั้นเขาก็จะเป็นเด็กที่บอกยากไม่เชื่อฟังพวกนี้เป็นอ ก, กุศลธรรมเป็นบาปที่จะเกิดขึ้นแต่เราเอาไปใส่ให้เขาได้ผ่านทางแท็บเล็ตพวกนี้โดยไม่รู้ตัว น, น, นีค่คือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นที่มันจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีได้ แต่คือไม่ใช่ว่ามันจะเหมารวมได้ทั้งหมดนะน ะ, ะเพราะว่ามีแท็บเล็ตบางทีบางคนใช้อย่างถูกต้องก็เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้เหมือนกันแเราจึงต้องดูแง่มุมของคุณธรรมตรงนี้ด้วยวันที่ท่านอธิบายเรื่องของอริยศาสตร์สี่ตอนที่ได้พูดถึงธรรมจากกับวัฒนสูตรท่านได้บอกว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้รอบใช่ะคะ<ช>และถ้าเราจะรู้รอบความทุกข์อันเกิดมาจาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยกตัวอย่างแท็บเล็ตอย่างนี้เราจะรู้รอบอย่างไรคะคือรู้รอบในเรื่องที่1ว่าสิ่งนี้มีเหตุเกิดมีอะไรเกิดมาได้นั่นก็คือมันก็อาศัยเทคโนโลยีต่างๆมันจึงเกิดขึ้นมาได้อันนี้คือรู้รอบในข้อที่1รู้รอบในข้อที่2ก็คือว่าตัวมันนี่มีประโยชน์อย่างไรอันนี้เราทราบอยู่ละมันสามารถทําให้เราค o n n น c กับคนอื่นได้สามารถทําให้ติดต่อหาสื่อสารข้อมูลต่างๆได้ นี่คือในข้อที่2ในข้อที่3เนี่ยเรารู้ประโยชน์ของมันเราก็ต้องรู้โทษของมันด้วยอันนี้สําคัญว่ามันจะมีโทษอะไรเกิดขึ้นได้บ้างโทษของมันนะแน่นอนอันหนึ่งคือมันไม่เที่ยงบางทีมันตกแตกเราจี๊ดแต่ของคนอื่นตกแตกเราไม่จี๊ดแต่ถ้าของเราเครื่องนี้เท่านั้นเนี่ยมันจะจี๊ดเนี่ยอันนี้เป็นทุกข์แล้วก็นอกจากนี้มันจะนํามาซึ่งสื่อลามกสื่อที่เราไม่ชอบใจบางทีมันก็นํามาซึ่งความที่เราจะทำให้เราเป็นคนมีสมาร์ที่สั้นให้เกิดความไม่อดทน แสดงหาความสุขแบบฉับชวยแบบนี้นี่ก็เป็นข้อที่3ที่เราต้องเห็นว่าโทษของมันคืออะไรแล้วในข้อที่4ี่ข้อแรกเห็นเหตุเหเกิดแล้วนะข้อที่2เห็นประโยชน์ข้อที่3เห็นโทษข้อที่4เนี่ยจะต้องรู้ว่ามันเนี่ยสามารถแก้ไขได้อย่างไรเห็นโทษแล้วต้องเห็นทางแก้เห็นโทษแล้วต้องเห็นทางแก้ว่าออวิธีการที่จะออกจากโทษของมันเนี่ยเป็นอย่างไรและซึ่งกระต่ายตัวนี้พระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วคือเรื่องของสีนสมาธิปัญญา ก็เท่ากับว่าถ้าจะไปพิจารณาในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่แท็บเล็ตนะคะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนหนาคลั่งคล้นาฬิกาโอเคนะครัะซื้อนาฬิกาแพงๆมาใช้นี่ก็เรื่องเดียวกันไปอนุมานได้เลยในการพิจารณารู้รอบว่าต้องรู้ว่ามันคืออะไรรู้ว่าโทษเป็นอย่างไรประโยชน์เป็นอย่างไรรู้ว่าการออกจากโทษนี้เป็นอย่างไร ใช่ไหคะนี่จะเชื่อการรู้ทุกถูกต้องรอบรู้เรื่องถูกต้องรอบรู้อย่างนี้อันนี้ก็ อ, อย่างน้อยที่สุดแล้วน ะ, ะแล้วก็ยังรวมถึงสิ่งอะไรก็าตามที่มันยังไม่ได้มีมาในปัจจุบันนี้แล้วมันจะมีมาในอนาคตเป็นพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆไม่รู้ละ่ะที่มันจะมีมาเนี่ยแต่มันยังไม่มีมาตอนนี้อนาคตก็ต้องรู้รอบแบบนี้เหมือนกันค่ะนะคะแล้วทีนี้พอเกิดความชอบอย่างยิ่งอะไรเงี้ยก็มันก็เกิดตันหาใช่ไหมใช่ใช่ที่ท่านบอกว่า ต้นหา<ะ>ที่เป็นเหตุแห่งเกิดแห่งการเกิดความทุกข์ถูกไหมคะต้อง้องละเสียต้องละเสี ย, สยมันแพงนะคะจะไปละมันเสียได้ยังไงครับท่านคะความละละในที่นี้หมายถึงว่าละในการที่จะไม่มีความกําหนัดในสิ่งนั้นความกําหนัดเนี่ยมันอยู่ในใจไงมันไม่ได้อยู่ที่ของพุทธเจ้าจึงแบ่งไว้เป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นวัตถุกรรมและส่วนที่เป็นกิเลสกรรมส่วนที่เป็นวัตถุกรรมนี่ก็คือของที่อยู่ข้างนอกที่มันจะทําให้เกิด ความวิจิตพิสดารความสวยงามอะไรต่างๆได้อันนี้คือเรียกว่าวัตถุกรมอยู่ข้างนอก่ส่วนที่เป็นกิเลสกรรมคือส่วนที่อยู่ในใจของเรามันเหมือนเวลโครที่เป็นแคปแคปติดอะคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยตีนทุกแกเออตีนทุกแกเนี่ยมันจะมี2 ส, ส่วนใช่ไหมส่วนที่เย็บติดกับวัสดุผิวหน้าอีกด้านหนึ่งกับส่วนที่เย็บติดกับผิวหน้าอีกด้านนี้ครามากำลังพูดถึงส่วนที่เป็นวัตถุกรรมและกิเลสกรรมวัตถุกรรมอยู่ข้างนอกกิเลสกรรมอยู่ข้างใน กิจกรมอยู่ข้างในนี่คือในใจของเราสิ่งที่พระบุตรเจ้าให้นําออกตรงเนี้คือเรื่องของในใจเพราะว่าดูอย่างแม้แต่ตัวพระองค์เองะนะวิจีวร์ดีๆหรูๆเขาก็หามาให้พรนะบุทรเจ้าใช้อาหารมินตบัดดีๆอร่อ ย, ออยๆเขาก็หามาให้ท่านฉัน<ะ>นี่คือเป็นวัตถุการมนะแต่ถ้า<ะ>ข้างในมันไม่มีที่จะให้ติดแล้วเนี่ยเหมือนกับเวลโกรตีนทุกแกเนี่ยมันมีอยู่ด้านเดียวมันไม่มีอีกด้านหนึ่งมันติดกันไม่ได้นี่คือตรงนี้ที่ว่าให้ละคือละข้างในใจของเรา นะคะไม่ได้ให้เอานาฬิกาทิ้งไปเสียก็ซื้อมาแล้วทํายังไงละ่ะขายใหญ่ต่างหาอันนี้ไม่ต้องไม่นะคะเก็บรักษาเขาไว้อย่างดีแต่อย่าเอาจิตใจไปติดข้องละจากตรงนั้นเสียใช่ใช่ตรงนี้คือจิตใจนะไม่ใช่ร่างกายด้วยนะเมื่ออาจจะคิดไปว่างันฉันก็แหวะตาออกนะฆ่าตัวตายมันจะได้จบจบกันมันไม่ใช่นี่มันเรื่องของกายตรงนี้กําลังพูดถึงเรื่องของจิตใจคือละจิตใจที่ไปมีความสุขความทุกข์ความอยากความไม่อยากกับ ถูกต้องถูกต้อ ง, ต, องตรงนี้พระพรุทธเจ้าใช้เทอร์มิน ولوجي คาว่าตัณหาคือความอยากค่ะ แ, แยกเป็นสามส่วนคือตัณหาที่เกิดขึ้นในกามตัณหาที่เป็นภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นแล้วก็ส่วนที่เป็นวิภวะตัณหาค่ะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะก็ให้รู้ว่าความดับคืออะไรนิโรธอันนี้เราพูดเรื่องอริยศาสตร์เลยนะคะใช่นิโรธเกี่ยวกับตัวอย่างที่บอกไปคืออย่างไรคะทังคะ ก็คือเวลาที่จิตของเรามันคลายกำหนัดตรงเนี้ยไอ้ความคลายที่เกิดจากตัณหามันเบาบางลงไปเนี่ยความคลายตรงนี้คือ น, นิโรธค่ะความคลายตรงนี้คือจริงๆบทเพียชนะตรงนี้ธรรมายังไม่เข้าใจนะเป็นเป็นสิ่งที่ธรรมายังสงสัยอยู่ด้วยทุกวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะทำไมพ <c oughs> ระพุทธเจ้าบอกว่าเอา่อความดับไม่เหลือของทุกความดับไม่เหลือของทุกถูกไหมค่ะ <c oughs> มันน่าจะเป็นความดับไม่เหลือของเหตุเกิดทุกถ้าถ้าเราจะใช้บทเพียรชนะให้เนี้ยบเลยนะ ก็ ค, คือความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยคือหมายถึงขันห้ามันนา่าจะดับแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกงั้นแต่ความดับไม่เหลือของทุกกลับไปพูดถึงตันหาดับแต่ตันหาเนี่ยคือเหตุของทุกถูกไหมค่คะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดให้ถูกเนี่ยมันน่าจะเป็นความดับไม่เหลือของเหตุเกิดทุกคะ่ะแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอธิบายในเรื่องของนิโรธกับตันหาถูกไหมคะใชว่าเป็นการดับของตันหาจึงทําให้เกิดความสงสัยว่า อ่าในเมื่อบอกตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยการแปลว่าความดับไม่เหลือของทุกข์เออถูกจริงหรือไม่จริงยังเป็นข้อสงสัยอันนี้ท่านฟังคะเปิดกว้างนะคะสมมติว่าท่านมีความรู้มากกว่าเออใช่ใช่มีความเข้าใจว่าเขาพูดไว้ถูกแล้วนี่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่ท่านส่งไปเลยนะคะที่เพีวธม t com ดิฉันก็จะได้กระจ่างขึ้นด้วยแต่ดิฉันก็คิดอย่างนี้นะคะเคย สงสัยคล้ายๆกันก็เลยคิดว่าหรืออันนี้ไม่ไม่รู้จักบาลีส ก, กี่คำนะคะ <Okay. S 1> หรือคำว่านิโรธเนี่ยความดับเนี่ยจะอธิบายไว้ก่อนว่าสุดท้ายเมื่อมีมีความทุกข์ใช่ไหมคะอุปทานขันห้าทำให้เกิดทุกข์แล้วเนี่ยเหตุแห่งความทุกข์คือตัณหาคือความอยากทั้งหลายแล้วพอมาบอก นิโรธปัญหาดับเนี่ยก็คือจะบอกว่าแต่มันดับไปได้คือพูดแค่นี้ใ น, ในความเข้าใจของดิฉันนะคะคือเหมือนว่าพระพุทธองค์ว่าดับไปได้แล้วก็มาข้อสุดท้ายว่ามัดง่ายทำให้ดับคือวิธีหนทางแปดทางที่รวมมาเป็นอริยมตรตมีองค์แปดใช่ ใ, ชใชกก่ก็อาจเป็นบเป็นได้เดี๋ยวเราก็ต้องใคร่ครวนกันต่อไปอเพราะว่าพระพุทธองค์อนุ ญ, ญาตให้่ครวไหมคะหรือว่าไม่ อ, ะอ่ะใช่แนะ่นอนต้องไค ร, ครวนต้องไขขวน เพราะเพราะว่าถ้าถ้าเราจะมาพิจารณาดูในในเบื้องต้นเนี่ยนะสิ่งที่มันจะลงกันได้แน่นอนคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องลงกันแต่ถ้าว่าจะมามีความเห็นว่าเออบทเพียชนะตัวนี้ไม่เนียบน่าจะใช้คําว่าความดับไม่เหลือของเหตุเกิดทุกอย่างเนี้ยซึ่งถ้าความดับไม่เหลือของเหตุเกิดทุกอันนี้เป๊ะเลยนะเพราะว่าตันหามันดับใช่ปะซึ่งพระพุทธเจ้าอาจจะมองข้ามช็อตไปมองข้ามช็อตเลยไปถึงจุดที่ว่าเอาก็ถ้าตันหาไม่มีแล้วทุกมันจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความที่ตันหาไม่มีกันไม่มีมันอยย่างเดีวกัน โอ้มันก็ใช่เหมือนกันนะที่ท่านจ ะ, จะตรัสอย่างนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะลงกันได้นะจุดนี้แต่สรุปแล้วก็คือว่ า, าถ้าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามเนี่ยจะอยู่ในกฎของอริยมตรตมีองค์แปดแน่แน้ว่า อ, อยากจะหลุดพ้นไปจากทุกแลวตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่ า, าไม่ใช่ว่าเป็ น, ปนทางที่มันต่อกันแต่เป็นทางที่มันขนานกัน <C> e <an> คือแม่ว่าจะทุกสมุทัยนิโรธมาร์กเนี่ยเรารู้อันใดอันหนึ่งด้วยตามกระบวนการต่าง ม, มาร์กแดมันก็จะไปด้วยกันเ <C> e <an> ช่นว่าการที่คุณจะรับรู้เรื่องทุกได้คุณก็จะต้องเจริญมาร์กการที่คุณจะละคุณจ ะ, จะเจริญมาร์กได้คุณก็ต้องละตัณห า, าการที่คุณ <C> e <an> กําลังละตัณหาไปก็คือคุณทํานิโรธให้แจ้งอยู่ดัง <C> e <an> นมันจะไปด้วยกันดังนี้ค่ะนิโรธเป็นสิ่งที่ต้องทําให้แจ้งถูกต้องนะคะนิโรธเป็นสิ่งที่ต้องทําให้แจ้ง แล้วมาถึงเมื่อสักครู่เนี้จากตัวอย่างที่ได้กลับเรียนถามท่านให้เอาอาริยมรรคไปวิเคราะห์เนี่ยนะคะก็มาถึงต่อจากนิโรธก็ต้องเป็นเรื่องมรรคถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราลุ่มหลงเช่นนาฬิกาดังกล่าวนั้นมาถึงเรื่องมรรคก็คือเป็นเรื่องที่จะเจริญสัมมาทิฏฐิสังกัปะวารจาคมันตะอาชีวะวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอืโดยต้องเอาไปผูกเกี่ยวกับอันนั้นไหมคะหรือว่า มีทิฏฐิที่ถูกต้องเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนั้นมีก็ใช่เลยคือทิฏฐิถูกต้องเกี่ยวกับภาษาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเลยอ๋อใช่นะคะอ่าใช่ไม่ว่าะจะเป็นภัสสอะไรสิ่งที่มันอาจจะมีมาในอนาคตที่มันยังไม่ได้รับการวิเคราะห์ อ, อินเวนต์วันนี้มันก็จะมีได้ค่ะแล้วก็ให้มีความดํำริเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนั้นโดยไม่มีการใช่ถูกต้องะะถูกต้อง ไม่มีพยาบาทเบียดเบียนกันนาฬิกาเป็นยังไงคะทางค่ะหมายความว่าเราไม่ได้ไปคิดว่าจะเอาของคนอื่นหรือว่าจะเอาเบียดเบียนให้เขาเ อ, อให้คนอื่นของคนอื่นเนี่ยมีความเสียหายโดยใช้วัตถุนี้เป็นต้นนะอ๋อถ้าเกิดอีกคนมีอีกเรือนอหนึ่งโหดีว่าเราหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะอื ม, อมประมาณานี้ค่ะก็สามารถที่จะจะ เ, เรียกว่าอะไรธรรมมาใช้งานได้หมดเลยในทุกภาษาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะ ดังนั้นเราก็มาทบทวนนั่นแหละดีฉันอยากให้ท่านทบทวนว่าอาริยสัจของพระพุทธองค์ทุกเนี่ยต้องรู้รอบเหตุแห่งทุกข์คือตันหาท่านต้องละเสียและความดับทุกขท่านต้องทําให้แจ้งอืมคือทําให้ตันหาดับดบกับสุดท้ายก็คือวิธีหนทางที่จะทำให้ถึงการดับทุกข์คือวิธีนั่นเองนะคะอริยมรรคมีองค์แปดท่านต้องทําให้เจริญถูกต้งองครบทกคนกระบวนความเลย นะคะก็เพราะเพราะท่านพิบูลได้กล่าวว่ามีความรู้แค่เรื่องนี้เนี่ยก็พอตัวแล้วถูกไหมคะใช่มันมันจบเลยมันคือเป็นแม่บทที่สำคัญมากอะไรจะแตกไปก็แตกจากตรงนี้ค่ะนะคะงั้นก็คิดว่าเราก็เพียงพอแกเวลาในการที่จะให้ธรรมะ ท่านทั้งหลายในรายการสันมนาสนท น, นาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้ก็นำมาส ก, การขอบพระคุณท่านไับูลพระมหาภับูลอภิบุญโนวัดป่าดอนหายโศกเป็นอย่างยิ่งคะ่ะนำมาส ก, การคะ่ะ